9. นวกะวาระว่าด้วยหมวด9 329. อาคาตะวัตถุมี9อุบายกำจัดอาคาตะวัตถุมี9วินีตะวัตถุมี9อาบัตสังคาทิเศษเป็นปฐมาปฏิกะมี9สงแตกกันเพราะภิกษุ9้ารูป โภชนะอันประณีตมีเกเป็นทุกกฎเพราะมังสะเก้าชนิดปาติโมกขุเทศมี9้าสิกขาบทว่าด้วยอย่างยิ่งมีเก้าธรรมมีตันหาเป็นมูลมี9ก้ามานะมีเก้าจีวรที่ควรอธิษฐานมีเก้าจีวรที่ไม่ควรวิกับมี9ก้า จีวรขนาดพระสุคตยาว9้าคืบการให้ไม่ชอบธรรมมี9การรับไม่ชอบธรรมมี9การบริโภคไม่ชอบธรรมมี9การให้ที่ชอบธรรมมี9การรับที่ชอบธรรมมี9การบริโภคที่ชอบธรรมมี9้า ข้อตกลงที่ไม่ชอบธรรมมี9ข้อตกลงที่ชอบธรรมมี9หลักธรรมหมวด9ในกรรมที่ไม่ชอบธรรมมีสองหมวดหลักธรรมหมวด9ในกรรมที่ชอบธรรมมีสองหมวดการงดปาติโมกไม่ชอบธรรมมี9การงดปาติโมกชอบธรรมมี9นวกะวาระ t r ọ c